วิจิติลป์เพืลึกถึงสิงนี้จะคิดการทอดให้พุทธิสิทธิ์นี้อยู่เสมอในระบบเดิมเพียงจะไดทำนิ่งว่างจากความคิดส่ันต่างๆมันเริ่มจะนำไปสู่การเกิดและการดับอยู่ตลอดกาลและนำไปสู่การทุกข์เกิดร่างตายของชั้นโลกและโลกผิดแล้วควรจะทา เราคงไม่ม mm ีความจำเป็นที่จะช่องไปแสดงหาทั้งอื่นเมื่อจบดอกคำสอนของผู้ท้าทั้งหมดก็ไม่จุดประสงค์เพียงคนเดียวคู้ทาตักเราข้ามขึ้นเิ่มเสียจากตูนตูนนั่นก่คิดแต่เมื่อเราหยุดกามคิดของเราได้เสมอแล้วประโยชน์อะไรด้วยคำสัญาที่ผู้ท้าประงค์ห กรณีหมายความว่าเราพฤติบัติจึงจุดคิดของความคิดต่างๆต่างๆได้มันม่ีอะไรสมาตตรงที่เม่อจคิดลงมาคิดไปตามขีดัดัหาต่างๆเรื่องสได้ทำให้ร่างจากความคิดต่างจึงเลจะนำไปสู่การเกิดกันดับกิจการและนำไปสู่วามสุดยอดการจ่ายงสัตว์ลกและโลย่เยจึงนิดนั้ เราก็มีการจิตเต็มที่จะตัง้งมีวิธีปฏิบัติตวการตรวจเชื้อะอะไรมนตนองนั้น น, นานาชนิดเลยต้องผูกต่อเข้ากันตอนนี้ครับว่าจิตเกขึ้นในจักรวาลมีได้อย่างไรในโอกมีได้อย่างไริดขึ้นในจักรวาลชีวิตและไม่มีชีวิตมันก็อยู่ในจักรวาล น, นั่นเอง จนเรเริ่มแล้วก็มนรูปก็ น, นามสองอยา่างกันังในจักรวาลก่อนที่จิตจะมาจับให้เกิดรูปนะครับจิต mm hmm. มาอย่างไรสักก่อลงปู่เคยสอนนิดหน่งนานเริมก็ ค, คือความบ้างของจักรวาลเข้าคู่กันจป็นเหตุเป็ตัวอทาดยเหตกอที่ได้มีรูปทีนั้นแต่มีนามที่ได้มีนามที่นั้นแต่มีรูป รูปนามริมการเป็นเหตุที่ดิบริยาให้เีกินปลังพลังการและเกิดการเวรอาผุที่รูปยังมีการดึงดูดถึงกันและกันจึงเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวและมันรอบตัวเองตามปัจจัยรูปเคลื่อนไหวได้ต้องมนามความว่ากันแรงรูปรูปเคลื่อนแต่ได้เมื่อสภาวพธรรมเช่นนี้สันตสิ่งของดัตติสาสานมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงสร้างเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลัก เ, นนสนสกเกิดบัตสู่ทุกนาจิตไม่รหยุดนิ่งหาคงทนจนปัจจุบันที่นับมาเป็นปัจจุบันปจุบันได้จิตก็เกิดมาจากอุณนามของจักรวาลมัเกิดนจิตก็เกิดมาจากอุนามของจักรวาลนั่นเองฉังก็ยังการต้องใช้งยนซื้อไม่ถึงต้องทำให่โอนอ่อนได้ตอนกิไฟดลไ แกงนี่มีได้เกชานนี่ไาแช่เลยนะแต่เป็นข่นไม่เข้าใจคือบางคนนั่งในตัวตรงเลยเวลานั่อยเขาตอนเป็นฐานบางคนเขางูางี่เป็นระวังไอ้จิตมันจิตมันรวมจิตมันรวมากว่จิตมันจิตมันเหยียดตามากยุบไปทางัวแนี่ก็เราการสี่อชันก็หนักไปหเ่ราตอนนั้นยืนาว่าอยู่ในชานุ่งหลับแล้วก็อยู่ในชานผู้หญิงเข้าจิตคอยรวมเลยนะ คือหมายามว่าภวังนี่ก็เป็นชานส่วนหนึ่งเนี่ยภวังในที่ิงมันลดไปยูไปจากชิ้นยาไปชิ้นผิดผิดเลี้ยมันรุกข์ไปครับผิดเลี้ยมถึงภวังเลยอยู่ในใจของชานนี่ตอนนี้คือย่นชานนี่ละนี่ว่าเวลาข้าวถึงชานและร่างกายนี่ยตั้งตรงไหมลูกนี่กระตรงน่ละถาถ้าไหวตั้งสลิดมนก็กระตรงแต่บางคนที่ลูกไปนี่ไม่ใช่ไนั้นึ่งมาถึงชานแบบนั้นที่กว่าภวังให้เธอ หมายถึคิดไม่คอยวมแลม้วจึงค่อยเดินแล้วเราทานสุดที่กําในงมีอย่างพร้อมก็อันมันไปทั้งทั้งตัวไปจิดของเราดีแล้วทำไมไมไปรับท่านสิ่งนก็ยี่นตนั้งตรงตี้งตรงที่ตรงใจมีอะไรถามหรือว่าจะถามอะไร ตามได้าได้เลยคือพอเวลาเข้าสมาธิถ้าหากว่าตัวเราต้องรตัวเราเวลาเข้าสมาธิมนแบบเบาเหมือนกับไม่มีร่างกายนะตเหมือนลอยแตเรายังได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ ลงก็ดีอยู่แล้วลงไม่ได้มันลอยหรือบางครั้งมันกเ บ, บาบางครั้งก็ลอยแต่<ด>อตอนนี้เป็นสภาพอะไรงากนกาลังอยู่ในปีติ ก, เก็เป็นการเหมือนกันนะคือมีอลยอย่างนระการีิการสาธิตนี่อยู่แค่นั้นไม่ไปไหนเขาไม่ก้าวหน้าก็าทีละลก็เป็นก็ทั้งด้วยด้วย้อก้าหน้าไป้าไม่หยุดก็ทั้ด้วยคอยก้าว มันเปลี่ยนเรื่อยมางมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเรืยมันนอ่มันจนมันแล้วม่ไม่เป็นเป็นยังอื่นตื่นเตนแล้วก็เราทาประกอบร้วมันก็เปลี่ยนเรือคุณฝุ่นยาขงรที่่ด้วันอเี่ยรกระเป็นยนู้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยไปโน่นเป็นนนเป็นี่แต่เราทาเรื่อยไปครับ สองคีดต่อหน่อแล้วประกอบด้วยการดบรราลงไปละเอียขึ้นใชและาของรงแล้วก็ัดตัวเองได้ว่าอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาเราจะเลือกเองแล้มันยังอยู่ในมือมือมืมันมันเยอะมันเยโยนมยอะกิดนั้นอันียกิดนั้นอันเอะเกิดออกไม่ต้องาราไารแาอมออันนั้นมันที่สุดมนมดูที่ของเราไปแล้วกั ถ้เราจางการประจัดอนมิตรเหล่านั้นออกมาโดยจิตของเราผิตชาเียงโดยสัญญาอันนั้นลึกซึ้งแล้วต่สิ่งเหล่านั้นถากเองในสางประจักษ์นั้นเราเมื่อใจผิตอะไรอย่างไนนอนมจัดหลับจิตไม่ได้ไม่ต้องพาไปตามรวงมาเป็นแบบมิตมันม่าจะเป็นมีหลายลาคนเหมือนกันนะถ้าจางการประจักษ์ใหม่ๆแต่อันมิตเหล่านั้นมันแตสมภพก่อ แม่เราที่ทำมีต้องการล้วก็เห็นของเสนอปฏาของเสนเแม่แล้วมีภาพไปผิดทางแล้วที่ตัวกนเขาคิดเห็นคิดนันเองคิดเห็คิดนะเป็นตัวมันส่วนที่เหมาะ่วนจะกำหนดไปตรงไหนนั่ีคิดถึงกำหนดไปตรงท้องที่คิดผู้รู้จะไหนเป็หนดตัวเองตันไม่มีที่ตั้งไมีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งม่ีตัวไม่มีส่วนอะไรตั้ไม่มีกำหนดว่าควรจะตั้งไปจุดไหน คือรื่องไงตั้งอยู่ตรงนั้นสแต่ตั้งศูอยู่ตรงนั้นก็ไม่ยืนนะรู้นะแล้วก็าคุยนะเราหน้าคุคิดนะคุคิดมันอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงคือร้บางบางท่านบอกว่าให้ตั้งไว้นี่ภายในวงแขนบางท่านให้ตั้งไว้ที่หางจมูกกับคืบมืออตั้งจิตกำหนดจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ใช่หรือยังใช่หรือกำหนดเพื่อนก่อนนีให้จิตเป็นสมาธิได้นะกำหนดจิตตรง ก็มา <ter amas. S 2> ้องติดนะเยอะเลยคือจังติดอินทรีย์ฐานเดี๋ยวพิจิตตอเนกเวริยะติดอเนกท่ถนจนแบบชงจิตยังจิตการเงินทายแล้วจิตทุกชัดเจนเลยกัญญาเมี่อไรเมื่อก่อนหน้าจึงเราฝกตามผู้ทานไปไปสาอรนะและอรมณ์ิงตอบะขามติจิตเป็นวาปรือนนี่ก็สามถึงเวลาปฏิบัติครั้งแรก ควรจวางสติวางจิตไว้ตรงไหนขั้งแรกที <implication> ่เ <promotions> ริ <own> <han> ่มปฏิบัติการเริ่มปฏิบัติก็ไม่มอะไรเมตกรรมท่านเองเมตกรรมเมตกรรมจะมีอะไรพุทโธสมุทโธพุทโธสมุทโธสามอย่างแล้วกับพุทโธพุโธพโธอย่างเดียวตอนที่ภาวนาพุทโธนั่งจิอยู่ตรงไหนพุทโธมันนี่แหละพู่แรกพุโธน่ยอยู่ตรงไหนอืมแรกต้องจำสถิติตรงนั้นนอกจนี้มีอยู่สอย่างพุทโธพุทโธว่านะคืออาพุทโธนะ พุทโธก็อ yeah. ันหนึ Godzilla, ่คือพุทโคือามบริกรรมวุโธนและวุโธกับผัวพุทโวทกับผัวทนี่นของสิ่งเดียวกันเป็นก็เป็นของว่าไม่มีอะไรพุทโธก็มีตัวมีตัวอะไรผวโมีตัวมีตัวอะไรไิไ้จิหาเห็นตัวเห็นตมันไม่เห็นต้องเห็นแัญญาอันหึ่งงรู้่ัญญาน ถ้าราทำยานเรียนผิดเหมือนนักตายคนรู้นี่นะเนไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความสัจจุลพร้มเนไปเพื่อความสริยุิ์เปนไปเพื่อพระนิพพานทางตงอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหาดีทำยานเรียนผิดใหนชัดเจนโดูปัญญาเห็นรูนั้นเหละเมื่อการนั่นเราแต่เราปัญญาเราเรารู้ถึงจิตปราจับตัวแล้วมันชัดเจนมันกันการเห็นรูอย่างนั้น 25, ทำลายเห็นจิตมันต้องแต่เห็นรูปไม่จะเห็นตามตำราตำาามันเห็นด้วยตนเองมันพุทขึ้นมาเู้มันจึงจะจับได้แต่เห็นตามตำราตำราเนี่ยไม่เห็นในตัวในสิงนันนะตัวทธคุณแท้จริงเราเห็นพุทธคุณมันมีอยู่แล้วทุกคนจิตมันีตัวมีตัวอหไรดอกแต่มันอยู่แล้วไม่มีจิตจิตจังเยอะสุกๆง่ายจิดนั่นแหละเป็นหลักธรรม เราจหาลัธรรมโดทงิแสมาธิขอเราเลหลักธรรมท้งจิตหือจิจนชนาภยังนั่นแล้วนันจะอหลักธรรมอะไปได้เลยยุนี่แหละคือหลักธรรมจนชนะภยันั่นแล้ก็ไม่ชอจิตจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ชอจิตแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังในใจมในชอจิตการทวาราจิตนั้นมันชอจิตอย่างนี้นั่นแหละย่มหาความถึงสิ่งบางสิ่งซึ่งมีจริงขอจงเลิกละการคิดและการปฏิบัติเสียงชุ เมื่อนั้นเราอาจจะได้ว่าแขงของกพูดจะรู้สูกตัดขาดไปแล้วที่งทิศก็ตึกเครองของึ่งิ้นชิงแล้วจิตนี้คือจิตียังไม่อันดุจึงมีประการดีแล้วในตนทุกคนจึงมีความรู้สึกนึกคิดกกระดไหลทั้งหดีราวิจุเจาพร้อมจะอิสตงหลายทั้ง่วงจดีเรื่องเป็นขอหธรรมชาติอันน่งมีแนั้นไม่มีแตกต่างกันเลย การไปการสังหารโเยื่อนจากกระสิทุดจิตนนั้นย่อมนำมาแล้วสู่การสร้างกำสังหารของส่วงพุทธนิสเมญยนธรรมชาติดังความเป็นพุทธดังเดินขอ้เรล่านั้นโดยความจริงอันสูงสุดแล้วเป็นจริงที่มีสมัยแห่งความเป็ตัวตนแม้ประักประมาณอยเดียิ่งสิ่งนี้คือความบ้างเป็นสิ่งที่ีอย่ในที่แถบทงเซนตน ว่าม er. ันมีอะไรเกี่ยวขมันเป็นสันที่สุขเรื่องเรืองเรืองหลังและวกำหนดการเกี่ยวทับนั้นเองจนข้าไปสู่จินนี้ได้ลึกซึ้งโดยการรู้าต่อจินนี้ในตัวเองซึ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเราและัตถุสิ่งสุนันในอัตยานทุกชนิดทั้งหมดนี้และสมบูรณ์สมสุดแล้วมันมีอะไรมากกว่านี่อีกาล้วมาจัเกอร์มาจังเกอร์อะไรเลยนะ อสหลักธรรมที่ได้จริงก็คือจิตของเราเองนอกจากนีแล้วก็ไม่มีหลักธรรมใดดีเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมเซิงจะนอกพรจากนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิต จะถึงขนนั้นมันก็ยังไม่ใช่ไม่ชิจิตการเดาการว่าจิตนั้งไม่ชิจิตอย่างนี้นั่นแหละย่อมหมายความถึงสิ่งบ้างสิง่งสิ่งมีอยู่จริงก็ชึง่งเลิกละการคิดและการอธิบายเสียหมดิ้นเมือนั้นเราเอาอันตรายนะวาน่าครางแห่งคำพูดก็ถูกตัดขาดไปแล้วผิดของจิตก็ถูกเพิกถ อ, อนครึ่งสิ้นจึงแล้วจิตนี้คือสุแต่ยันนี้อันเบริสุด สิ่งมีประจำอยู่แลในคนทุกคนสัตว์จริงมีความรูがが้สึกนึกคิดกระลกระลิกได้ทั้งหมดก็ดีเป็นผู้ที่จ่าพร้อมทั้งรถไฟสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้งเท่านั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆเท่านั้นยอมนําเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึกลับที่นอกกับภูต การเข้าใจอย่างนี้เอง <c oughs> เราท่างไม่ผิดทางไปก็ไม่อะไรมากมายนักการเข้าใจผิดผิดแล้วนี่แหละเราวพากทันเราพูดไปนอกลู่นอกทางควารจริงจะได้จริงก็ไม่อะไรมากมายนัก ขัตจิต <c oughs> ก็กคือขัะสิ่งสุสดมันยอมรวมสิ่งทุกสิ่งไอยในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสริ้แล้ทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเภทที่ําต้อยที่สุดซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยูอกและแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่า สิ่งเละมีทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นปุถะเท่ากันหมดและทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับปุถะนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับปุถะอยู่แล้วตลอดเวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สมารถทางความเข้าใจในจิตของเราเองนี่ให้สงเร็จ แล้คนพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นเท่านั้นมันก็นจะเป็นจริงแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจะจำเป็นจะต้องแสีหายแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นถ้าเราทำความสงบอยู่จริงๆเว้นขาดจากการคิดนึกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเสียด้จริงๆ ตัวแท้ของมันก็นจะปรากฏออกมากเป็นของว่างแล้วเราก็จะได้พความมันเป็นสิ่งที่ปฏิจจากรูมันไม่กเงื้อที่อะไรอะไรไหนที่ไหนแม้แต่จุดเดียวมันไมีได้ตกเลี้ยงสภาวะนั้นนยัดว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยก็เหตุที่สิ่นี้เป็นสิ่งที่รู้สึกไม่ได้โดยทางเยตนะล ร่างจิตซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ของคนเรานั้นมันเป็นการเรื่มเป็นกําเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้นรือไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยในการทำปฏิกริริยาตอบสนองต่อสิ่งเว้าต่างๆนั้นมันเปียงรูปเปมันเองออกมาเป็นปรากฏการ์ต่างๆเพื่อสรดวในการพูดเราพูดถึงจิตในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญา แต่ในขณะที่มันมีทาการตอบสนองต่อสิ่งเวล้อมคือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่คิดนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่มีอาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบรญยายว่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นอีกไหมในขณะที่มันทําหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในขณะที่ตอบสนองต่อกฏ แห่งความเป็นเหตุหลืผลของการกระทำนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกมาได้โดยทางในจิตน า, ตาหูวจมูกลิ้นกายและมโนเวทนานนั่นเองแต่เราทราความเป็นจริงคนนี้ระท่าความสงบเงียบชนิดอยู่ในภาะวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งประพตูดีจ้าทั้งหลายโดยแท้จริง ดังนั้นเราควรเจริญปิติหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้นจบกันเลยก่อนเหมือนกับถูกบีบเข้ามาบีบเข้ามานะครับ <c oughs> คือผมเคยครั้งหนึ่งบีจนทั้งมันหมดไปเลยแล้วมันออกไปอีกคล้ายๆกับมิติหนึ่งอะไรมิติที่นิ่มแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรเลยไม่มีความนึกคิดอะไรเลยทั้นั้นจบแน่นอนหมดความคิดนะ่ะ ความคิดอะไรนันเป็นขันาหมันความคิดคมิดตัวตัวเปนขันมันออกมาเป็นส่วนต่างๆก็เกิดขึ้ันเิดขึ้นกมันดำแต่มันยังมีส่วนสูงอ๋อตัวนั้นนะสุขธรรมแต่มันอธิบายไม่ได้ว่ามันอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรอธิบายมันอยู่เหนือกับมันอยู่เหนือพูด ม, ม, มแล้วเสร็จล้าหลังจากที่ได้นะครับก็เพียงพยายามแทนที่ว่าจะเกิดอาการแบบถูกบีบเข้าไปนะฮะซึ่งขั้นแรกก่อนนี้อยาเข้าไปเนี่ยทรมานมากครานี้ผม กับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับเหมือนกับเขืนแตกแต่ก้นกบเนี่ยเหมือนกับเขืนแตกมีน้ําอย่างชนิดแรงมากขนาดเขื่อนยังใหญ่เลยแล้วพุ่งขึ้นมาข้างบนอันนั้นเป็นไงครับอันนั้นตัวนิมิตนะครับไม่เป็นไรคือเป็นตัวแบบหลอกจิตเราเราจิตเอาเป็นตัวเื็นนิจของไพลนอไม่ตามมันไม่ตามันก็ได้รอกก็ดีถ้าเราอยากกับมันอยากให้มันออกไม่ต้องดูตามัน มันเป็นองไรกระจายในดวงจิตอ่ไหมลูกจิตหรือเล่าหลักดูต้นตอมาลูกจิตมันไม่อาศัยน้ารหรือมันต้องมาจากกิจการมันเป็นอย่าง น, า น, นาั่นธรมนนรดมดาเออลู้คุณฮะเลาอย่างจิตเนี่ยนะฮะถ้าอย่างไปนิพพานพรมเนี่นะฮะพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่ไปนิพพานพรมเนี่ย เอาจิตไปด้วยอันนี้หมายความว่าอะไรแล้วก็จิตมันไปไอ้จิตเมล่รมันไปไปเป็นก็เป็นมจการจิตเมื่เป็นแต่จิตเเป็นคนที่กทั้งนั้นเลยจะจาไปในเรื่องนั้นนี่จะเป็นแล้วส่วนที่ไปอลาหันนี้ว่าจิตเอาไว้กับโลกโอแต่อะไรนั้นไม่มีอะไรเหลือเรถึงรนแล้วทั้งหมดความาว่าอลมว่างเปล่าซึ่งเป็นช่วงนั้นเวลาดับจิต ถ้าถ <permite> ึงงานันแล้วจะถึงก็าจะไปเน่ยพูดถึง <Tampa> ท <on> ี่จ ah. ุด ah ี <me> ่ดุดจจริงๆมันก็ว่าว่ามันมีอะไรอยู่ออมันเกิดที่จิตจิตที่น้อยสุดนะนสุดคือปรมาณนสปรมาที่ที่เป็นปรมาณนู้ครูมันน้อยสุดแล้วลูกมันน้อยสุดๆแยิ่งยกกันน้อยไปอีกแล้วไมไม่มีอะไรที่ยิงแกจะไปอีกแล้วจิตของเราถึงที่วางไม่จริงไม่ไดงที่วางนอนหลับจิอ ทำสิ่อย่า ง, งนั้นถ้าทำได้อันนี้อย่างนี้ครบไทยแล้วครับดูถ้าอย่างนี้ถ้าเรานั่งนี่ถ้าพูดถึงถ้าเราอย่างที่บอกว่าให้รักษาอารมณ์ก็คือรักษาอารมณ์ตอนที่เกิดความสงบที่เราความสุขที่เราอธิบายไม่ได้นั่นแหละให้สามารถจะเข้าไปในอารมณ์นั้นได้เร็วเข้าเป็นอารมณ์ถ้าอย่าบน้แล้วต้องทำอะไรเพื่ออตัวไมีอะไร เนื้อคพูดเลยมีอยู่เนื้อคพูดความัามารถจริจมีอยู่เนื้อคำพูดถ้าใอได้ใจ่ใจไม่ออกแก้ยงงฮะถ้าใจออามัต้องไม่ต้องหายไม่มีวันไปก็ทุฏิทำกุฏิให้ทําุฏิดาวทำกุฏิดาวใหใจออกอกความรนอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้คือของเขาเนี่ยมาตรงข้ามกับผมนะเขาผมถูกดี แต่เขากลายเป็นขยายออกแต่ลักษณะอาการที่แข็งเป็นหินนี่เหมือนกันอาการที่หายใจไม่ออกจนเหมือนกับจะขาดใจตานี่เหมือนกันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเขาผ่านไอจุดนี้ไปได้เขาก็ต้องเข้าไปในมิติสงบได้นั่นไงถูกแล้วผู้ทางที่สุดแล้วใช่ไหมอาจารย์เข้าใจแล้วจะ่แตได้เคียงก่ออืมสีเทาจนโอ้สีจีน ความดีดีงามขึ้นขึ้นมาแต่ใจแม่นี่เป็นเรืหลักของใจบริสุทธจุดนี้หละจุดหันขึ้นมาคือข้านก็ไม่เคยจิตตอนที่เราปลาว่จิตนั้นไม่จิตอันนี้นั่นแหละเ็นหมายความถึงสุขสมใอยูุ่ขขอเร็กลามสุขและคามผิบาปร่างกายเรา้อามสุข ที่เราทำเนี่ยที่สุดที่เราทำที่สุดที่ e รา e ำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่ส i e ที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดที่เราทำที่สุดท เป็นงานเก้าริคััรา่การอัาน่นท่านาเนบที่ไหนน้อความสุขเฉยๆก็เที่มีานเป็นม้อานด้วยช่บิีอยู่นิด ท่านเจ้าหน้าที่จะพูดรืองทีป็นยลักษณ์อักที่เกของเรื่องนี้ท่เทศาลจะมีรย่นโครงการเรื่องการปล่อยตัวเพรียมเ่งซึ่งอยู่ตี้ ได้จริงๆทเกตมากลับมาชว่าร้อยราจะได้พบว่าเงนเป่งทีปกิด้รู้่เกี่ยวกับนนิที่มีอยู่ในที่ก๊อตเงินก๊อ่เนี่ยแล้วมันมีอะไรเกพัเงนน่ที่กเพียงเรื่อเลและเปั สีทึ้งไปตอกันขึ้นเป็นลิงอย่างนั้นเป็นของร้างกายเพราะนั้นธาตุทั้งสี่ทั้งดุจใจ น, นั้นไม่ใช่เป็นสีทึ้งไปตอกันขึ้นเป็นโฉมเราเลือดหยุดิมเานั้นมีมีดุจใว่ามีมีอาการมาหรือไม่มีอาการไปทำไมชาเป็นเท่าทังเหานั้นเนชชื่นนี้ มันมีการ้งเพ่้นทีงเกตและมีการชินสิดเพ่มที่สังไบพอเป็นของสิ่งเดียวรวดเราไปรู้จักความเค่ไว้ใดๆในเ่อนลึกจริงของมันทั้งหมดจิตของเรากับสิ่งต่งๆส่งใดล้อมเราอย่น่สิ่งเดียวหนึ่เราชงอทั้งความทั้งความทีได้ทได้จริง เราจะด้รู้ถึงความยิกงใหญ่ยิ่งแข็งท้อเดียวในคนนั้นเราเป็นผู้ที่ไม่ต้องท้อเดียวในโลกของสามีก็ไปเราจะเป็นผู้อยู่ในโลกเรามีทางโน้มยังให้ผูรตกางผู้อื่นชีต่้เปียเราจะเป็นตัวโดดละเองนั้นเรากราบความคิดแขงโดยที่เท่แะเต็มสิ่งเดียวกับสิงสูงสุดทนั้น ระได้รู้เห็นตัวว่าควาัที่มีอะไรต้อทำเรานั่นไม่ใที่หลักฐา้หักฐนที่มิจิจินอกไปจากนั้นนั่นก็มีลักฐานใดเลยไม่ใช่ที่หลักคานจิตนอกไปจากนั้นแค่ไม่ใิ การดล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอต่างี้นี่แหละย่อหมายความจึงสิงแต่ตรงี้องของหลคิดละการอธิบายเก่วบมือนั้นเราอล่าเว่าคล่องคำพูดจะถุกตัดขาดแล้วทุกังิตจะถูกเพลิดเพลินสนิทสนิแล้วจม่จิตคุกเราไม่ทางหนึ่งตรงนี้เปนัแล้วเป็นคน จาบตึ่มีอทางรู้จิตมุขคี่เปขสุดให่ทั้งหมดดี่และระพุติเจาพร้อมทางรูโพธิ์จับหลายทั้งส่วน่ล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติทั้งมดนิดนมีการสานกันเลยการกระจารทางหลายเสวยขึ้นจากละดับคิ้นิดนนี้ยัเราไปถู่การต่อสร้างต่งทั้งหลายทัส่วนทุกนิดนึงอยู่ตั้งใจแบ่งความเป็นภาพบางอย่างของแบบนั้น โดความสุ่ง <t> ส <org> ุนี่ยเป็สิ่งที่อยู่ามมาในความสุขของตนนั้นจะักผัสนี้เดียวงนี้จะสว่างนสิ่งที่อยูในที่ปรขสงค์นีและไม่มีอะไรเกวพนอนเป็นสังุที่ื่องัวือื่และจะหมดการเส่ยงนั่นเงข้าวไปสู่สนี้เราลึกซึงโดยการดูตาต่อสิ่งนี้ตเอง ยิงซุ S, en, Empire, wow, ่มอยู่ตรงหน้าเราในเรื่องทุ่งสินันเาอัตราลที่สุดแล้วนเรา